มะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรศึกษาแต่ศึกษา่างเดียวไม่พอนะถ้าศึกษานี่หมายถึงการฟังการอ่านมันต้องปฏิบัติด้วยธรรมะเนี่ยจะมีคุณค่าได้ก็ต้องปฏิบัติแต่ต้องมีเงื่อนไขนะว่าปฏิบัติให้ถูกด้วยนะปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติผิดนี่มันก็เกิดโทษนะ มันจะมีคำคำหนึ่งนะหรือเป็นวลีอย่างซึ่งเราอาจจะได้สวดหรือว่าได้ฟังผ่านหูมาหลายครั้งประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างเช่นมีพุทธภาษิตหนึ่งนะที่เราคงได้สาธยาอยู่บ่อยๆเนะี่ยชนลาใดนะเมื่อประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วนะชนลานั้นจักถึงฝั่งอย่างพระนิพพาน ห้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่คามได้ยากได้ยากหนักเราเคยสงสัยบ้างมารูปราล่าว่าประพฤติสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรประพฤติทำปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องสมควรแก่ธรรมด้วยเพราะถ้าไม่สมควรแก่ธรรมนะก็เกิดโทษได้อย่างมีประโยชนหนึ่งนะที่เราจะเคยได้ยินหรือว่าได้สวดอ ย, ยู่บ่อย ทำที่ประพฤติดีแล้วนะย่อมนําสุขมาให้ประโยคนี้มันแปลว่าล่ะแปลว่าถ้าประพฤติไม่ดีนะก็ไม่เกิดสุขหรืออาจจะเกิดทุกข์ก็ได้ <c oughs> เคยสงสัยบ้างไหมลึบ้างไหมว่าเนี่ยไอ้ทําที่ประพฤติไม่ดีมันก็มีนะประพฤติไม่สมควรแก่ทำหรือว่าประพฤติทําไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่จะทําให้เราเนิ่นช้า แต่อาจจะเกิดโทษหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ได้ธรรมะเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติไม่ถูกก็เกิดผลเสียนะอย่างที่พระเจ้าอุปมาว่ายาคาถ้าจับไว้ไม่ดีนะมันก็บาดมือความเป็นบรรปะชิตความเป็นสมณนะถ้าบรรปะชิตปฏิบัติไม่ถูกนะมันก็ฉุดลงนรกเลยนะไม่ใช่แค่เสมอตัวนะ มลงนรกเลยหมายความว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกกันนะอย่าบวช ด, ดีกว่านะแะบวชแล้วเนี่ยเป็นสมณะแล้วปฏิบัติผิดนะมันก็ฉุดลงนรกอันนี้เป็นการย้ำว่าของดีเนี่ยคือธรรมะเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้ถูกนะหรือว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะ ความหมายแรกคือว่าปฏิบัติเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ในทางที่ผิดหรือว่าไม่ปฏิบัติธรรมนะในทางที่ผิดถ้าเราปฏิบัติในทางที่ผิดเนี่ยมันก็เกิดโทษมากมายอย่างเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อหาลาบสักการะนะทำตัวให้เคร่งหรือว่ามีศีล นะให้คนเขาชื่นชมสรรเสริญหรือเพื่อที่จ ะ, ะให้คนเขานะเชิดชูแล้วก็จะได้มีลาบสักการะมาะคนทีปป่ปฏิบัติแบบนี้ก็มีมั้งแต่สมัยพุทธกาลนะผู้ใจยังเตือนเลยนะว่าการศึกษาธรรมเนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ถูกนะก็มอนก็จับจับงูพิษไม่เป็นการศึกษาธรรมเนี่ย พุทธเจ้าเปรียบเหมือนการจับงูพิษนะเงินเนี่ยไม่ใช่แค่ ง, งูพิษอย่างเดียวนะาการศึกษาธรรมเนี่ยก็เปรียบเหมือนงูพิษเมื่อจะจับงูพิษต้องจับให้เป็นถ้าจับไม่เป็นจับไม่ถูกก็ถูกงูพิษมันกัดอันนี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ศึกษาธรรมเนี่ยจะศึกษาธรรมเพื่อไปยกตนข่มท่านเพื่อไปแสวงหาลาภสักการะนะหรือแม้แต่เพื่อคนจะ มากล่าวหาติดเตี้ยแล้วไม่ได้นะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัติทําในทางที่ผิดเป็นการเอาธรรมะมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหานะรวมทั้งไปสร้างทิฏฐิมานะให้เพิ่มพูนมากขึ้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําในความหมายที่สองคือว่าไม่ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ ธรรมะเนี่ยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงนะยกตัวอย่างเช่นทานเนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็เพื่ออะไรก็เพื่อลดละนะความตนหนะีถ้าเราใช้ทานเนี่ยเพื่อไปอไปเพิ่มพูนโลภะนะทำบุญก็เพื่อจะได้ร่ํารวยจะได้ ถูกรัตเตอรี่นะถูกหวยรวยเบอร์อันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์นะที่ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึง่งนะเราเห็นบ่อยก็คือสันโดษนะสันโดษเนี่ยสันโดษแปลว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก็รวมถึงการพอใจนะหรือยินดีนะหาอะไรมาได้นะ ก็พอใจไม่โลภไม่ต้องการมากไปกว่า น, นั้นพอใจยินดีในสิ่งที่มันเหมาะกับเราไม่เกินความต้องการไม่เกินความจําเป็นอันนี้ก็รวมทั้งรวมถึงทั้งการพอใจนะในการสแสวงหาไม่ให้เกินความต้องการแล้วก็พอใจในการเสพไม่เสพนะเกินความจําเป็นหรือ เตินขีดที่มันเหมาะสมกับเราคารวานี้ก็มีระดับการเสพแบบหนึ่งนะพระก็มีขอบเขตในการเสพอีกแบบหนึง่งอันนี้สันโดษเนี่ยผู้เจ้านะส่งเสริมนะแนะนำให้เราปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเราจะได้เป็นผู้อยู่ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการขนขวายหา เงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมามากมายเกินความจําเป็นหรือเกินความต้องการได้เท่าไหร่ก็ยินดีนะเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะได้มีเวลาเนี่ยไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าการหาเงินหาทองรวมทั้งไม่เสียเวลากับการเสพการบริโภคนะจนเกินความพอดีไปคนทุกวันนี้เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะไม่มีความสันโดษ แล้วก็เลยไม่มีเวลาหนะลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่มีเวลาคุยกับลูกเนะพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักสันโดษนะนี่ถ้าเราสันโดษเป็นเนี่ยนะเราจะไม่เสียเวลาไม่เสียกําลังไม่เสียพลังงานไปกับการหาสิ่งที่เกินจาเป็นแล้วก็ไม่เสียเวลาไปกับการเสพนะจนกลายเป็นหมกมุ่น เราจะมีเวลาเหลือสำหรับการทำคุณงามความดีเช่นปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำประโยชน์กับส่วนรวมคราวนี้หลายคนเนี่ยทผิดประทุประสงค์นะก็คือว่าพอสันโดยแล้วก็หยุดเฉยนิ่งต้องการร้อนยะบาทหามาได้ร1 0นะก็พอใจแล้วเสร็จ แ, แล้วก็ไม่ทำอะไรต่อนั่งเล่นนอนเล่นเวลาที่มี แทนที่จะเอาไปทำความดีทำประโยชน์ตนเช่นปฏิบัติธรรมหรือไปทำประโยชน์ท่านนะช่วยเหลือส่วนรวมไปจิตอาสานะบมรุงพุทธศาสนานะช่วยเหลือเกื้อกูลพระสงฆนะ์เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ทำเอาแต่นั่งเล่นนอนเล่นอย่างนี้กลายเป็นขี้เกียจไปอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติสันโดษเนี่ยผิดวัตถุประสงค์พราะพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนว่าเมื่อสันโดษแล้ต้องมีวิริยะด้วยนะ วิริยะเนี่ยจะมาคู่กับสันโดษเพื่อเป็นการกำกับไม่ให้สันโดษและขี้เกียจเพราะว่าคนเนี่ยมีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดผิดวัตถุประสงค์นะช้สันโดษไปในทางที่ส่งเสริมความขี้เกียจนะแทนที่จะทำให้เรามีเวลาแล้วก็กำลังนะในการที่จะทำสิ่งดีงามเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจเจริญงอกงามและทำอยู่ยกับส่วนรวม ผีปัทุกประสง์อีกหลายอย่างนะเช่นคําสอนเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนะี่ยอันนี้เนี่ยผู้เจ้านะสอนธรรมะข้อนี้เพื่อให้เราเนี่ยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นรวนทั้งไม่หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บางทีคนเอาไปใช้ไม่ถูกนะเช่นเห็นคนเดือดร้อนเขากำลังต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ช่วยเขา ไปสอนเขาว่าเนี่ยเราต้องพึ่งตนนะฉันไม่ช่วยเธอนะเธอต้องพึ่งตนเองนะอันนี้ไม่ถูกนะเราใช้คาสอนนี้เพื่อไปเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ช่วยใครหรืออาจจะหวังดีก็ได้ว่าเออไม่ได้คิดจะรังเกียจรังงอนอะไรเขาแต่บอกเขาว่าฉันช่วยเธอไม่ได้นะเพราะเธอต้องพึ่งตัวเองนะอันนี้ไม่ถูกนะคาสอนเรื่อง ตนเป็นที่เหมืนอนกับตนเนี่ยเอาไว้สอนตัวเองไม่ใช่เอาไว้สอนคนอื่นหรือเอาไว้เป็นข้ออ้างว่าฉันช่วยเธอไม่ได้นะเธอต้องช่วยตัวเองนะบางทีข้ออ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปอุเบกขานี่ก็เหมือนกันนะใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีหรือว่าใช้ผิดกรณีก็ได้คนเขาเดือดร้อนเนี่ยแทนที่เราจะช่วยเขาเราก็ว่าอุเบกขาไฟกําลังไหม้วัดไฟกําลังไหม้ป่าก็อุเบกขา ยัไม่ทันจะลงมือทําอะไรเลยกู้กเบรคขาซะแล้วมันต้องลงมือก่อนนะต้องลงมือช่วยเขาก่อนช่วยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการอา้าก็ต้องอุกเบกขาไฟไหม้วัดไฟไหม้ป่าก็พยายามดับดับแล้วไม่สําเร็จนะมันก็ไหม้ไปเยอะอา้าก็อุกเบกข า, าทําเต็มที่แล้วนะเมื่อทําแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการก็ก็ปล่อยวางนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเอาอเบ็ขาไปใช้เนี่ยเพื่อจะเป็นข้ออ้างก็ได้หรือใช้เพื่อใช้ในการที่จะไม่ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ไปรับผิดชอบส่วนรวมปฏิบัติทำสมควรแก่ทำอีกความหมายนึงคือว่าปฏิบัติให้มันถูกกรณีนะถูกกรณีเมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยนะอุเบกขานี่ก็ต้องใช้ให้มันถูกกรณีถูกสถานการณ์ ยกตอย่างเช่นการทําสมาธิภาวนาการสวดมนต์นี่เป็นของดีนะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกเวลาขณะที่กำลังนั่งรถขณะที่กาลังขับรถเนี่ยนะจะไปสวดมนต์นะมันก็คงไม่ถูกกันนะหรือว่าจะไปตามลมหายใจนะขณะที่เราขับรถก็ต้องมีสติการขับรถไม่ใช่ไปเอาจิตไปกําหนดที่ลมหายใจแล้วเราจะเห็นเราจะรู้ได้ไงว่ามีรถนะทางข้างหน้านี่มันปลอดภัยไหม หรือการคุ้นคิดธรรมะเรียกว่าธรรมวิจยะเนี่ยเราก็ควรคุ้นคิดนะธรรมะเนี่ยในเวลาที่ว่างหรือในเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ใช่เวลาขับรถหรือเวลากำลังเดินลงบันไดเรืเดินลงบันไดก็คิดธรรมะไปนะอันนี้มันกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ง่ายหรือทำให้เกิดอุปัติเหตุได้ง่ายนะขณะที่ขับรถนี่ก็ ให้มีสติการขับรถอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถูกกรณีสมควรแกรร่ทำนะไม่ใช่เอาเรื่องอื่นมาคิดหรือว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างอื่นในเวลาในกรณีในสถานที่ที่ไม่ถูกถ้าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุก็อย่าไปอย่าไปตัดพาะว่าทําไมคิดถึงทำรร ม, มาแล้วจึงเกิดอุบัติเหตุนะก็ปฏิบัติผิดเนี่ยผิดกรณีไม่ถูกกาลเทศะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยคนเราเวลาฟุ้งซ่านนะ สิ่งที่ควรจะใช้ให้น้อยนะก็คือวิริยะนะปิติแล้วก็ธรรมวิิยะ3ข้อนี้เป็นเป็นธรรมะในพ่ชงเจ็ดนะพ่ชงเจ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะสาห ร, รับการตัสรู้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกกรณีด้วยนะเวลาฟุ้งซราบเนี่ยนะพรเจ้าก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตัว ธรรมะสามข้อเนี่ยวิริยะนะปิติแล้วก็ธรรมวิจยะเนี่ยควรใช้ให้น้อยเหมือนกับว่าเรากำลังมันมีไฟไหม้มันมีเรามีกองมีกองไฟแล้วเราจะดับเนี่ยเราควรจะโยนนะหญ้าสดลงไปไม่ใช่ใส่หญ้าแห้งถ้าเราใส่หญ้าแห้งเนี่ยไฟแทนที่จะดับมันก็ยิ่งลุกโพรงขึ้นไปใหญ่ ยาสนิผู้เจ้าเปลี่ยนเหมือนกับยาสนิเป็นอุปมานะสำหรับพชงเจ็ดอีก3ข้อนะก็คือสมาธิปัสสธิและก็อุเบกขาในทางตรงข้ามนะเวลาที่เราง่วงเหงาหาวซึมหรือว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเนี่ยถ้าหากว่าเราจเจริญรรมะ3ข้อเนี่ยคืออุเบกขาปัสสธิหรือสมาธินี่นะ มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหมือนไฟกําลังจะมอดเนี่ยเราอยากจะให้ไฟมันลุกนะก็ควรจะโยนยาแห้งลงไปไม่ใช่โยนย้าสดนะโยนญ้าสดเนี่ยไฟมันก็ยิ่งไฟที่มันจะจะดับยบยิ่งดับเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นคําสอนว่าพชง7จตเนี่ยธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่าใช้ใถูกกรณีในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะนะในบางกรณีจึงจะเหมาะ ยกเป็นสติสตินี้ใช้ได้ทุกกรณีนะนะไม่ว่ายามยามฟุง้งซ่านหรือว่ายามง่วงเหงาหานอนเนี่ยสตินี่นะใช้ได้ดีทุกกรณีปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยยังมีความหมายข้อเนื้คือว่าอย่าให้เกินพอดีไปอย่างเช่นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งที่พระโสนะนะเป็นคนที่ตั้งใจทําความเพียรมากเลย เดินจงกรมนะทั้งวันและทั้งคืนก็ว่าได้แต่เนื่องจากพระสนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเท้าเนี่ยผิวเท้าบางนะเป็นสุขุมารชาติดันเดินจงกรมไปนานๆเนี่ยเท้าก็แตกเลือด ก, ก็ไหลพระสนา ก, ก็ยังไม่ยังไม่ยอมนะก็พยายามที่จะเดินจงกรมทั้งที่ทเท้าแตกก็เรียกว่าประสบความทุกทุกทรมานมากอยากจะบรรลุธรรมเนี่ย ย า, ยาระดมความเพียรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลับเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ความท้อแท้ท้อถอยจนกระทั่งอยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะสึกหาราเพรได้วยซ้ำพระเจ้าก็ทราบนะก็เลยมาสนทนากับพระสนะพระสนะนี่เคยเป็นนักดนตรีนะดีดพินเก่งก็เลยถามพระสนะว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้า ถ้าสายพินเนี่ยขึงให้ตึงเนี่ยนะดิดพินไพเราะไหมพระสนนก็บอกไม่ไพเราะแล้วถ้าสายพินเนี่ยนะหย่อนเนี่ยดิดแล้วจะไพ่ระอไหมก็ได้คำตอบวไม่ไพเราะทําอย่างไรถึงจะไพเราะต้องขึงให้พอดีพอดีพรจา ก, ก็เลยบอกว่าเนี่ยพสนนเนี่ยนะควรทําความเพียนพอดีอย่าทําความเพียนมากไปเพราะว่าทําความเพียนมากไปก็ฟุ้งซ่าน นะถ้าว่าทำความเพียรน้อยไปก็เกียรติคร้านหรือว่ า, าย่อหย่อนพรนะพุทธเจ้า ก, ก็แนะให้พระสนะเนี่ยนะทำความเพียรแต่พอดีความเพียรเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าทำให้เกินพอดีไปมันก็เกิดโทษหรือว่าไม่เกิดผลดีอย่างที่ต้องการอาจารกรณีพระโสนะก็เรียกว่าท่านประพฤติไม่สมควรแก่ทำนะคือทำความเพียรมากไปนะ ต้องทำความพอดีให้เกิดขึ้นนะในการทาความเพียรอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางนะมันมีคาเรียกคำานึงว่าวิริยะสมัตตาคือทำความเพียรแต่พอดีพอ ด, พอดีพอดีกับทางสายกลางไม่เหมือนกันนะคนไทยหรือชาวพูดเราไปเข้าใจว่าทางสายกลางคือแปลว่าพอดีอันนี้มันคนละค น, คนละความหมายพอดีคือไม่มากไม่น้อยนะมันเป็นเรื่องของปริมาณ เหมือนกับคนที่สูงพอดีพอดีคือไม่เตี้ยนะแล้วก็ไม่สูงนะไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปก็เรียกว่าสูงพอดีพอดีทางสายกลางนี่ความหมายอีกแบบหนึ่งนะฉะนั้นความเพียรแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องทำให้พอดีด้วยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่ทำความเพียรมากไปนะส่วนใหญ่ทำความเพียร น, น้อยไป เพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าทำความเพียรแต่พอดีนี่ก็อย่าเอามาใช้เป็นข้ออ้างนะว่าเอ้ยต่อไปนี้เราต้องทําความเพียรให้น้อยหน่อยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําความเพียรมากหรอกนะทำความเพียรน้อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นนะมีน้อยคนนะที่ทําความเพียรมากไปแล้วควรจะลดนะอันนี้คือความหมายเขาว่าปฏิบัติสมควรแก่ทำนะคือปฏิบัติโดยไม่ผิดวัตถุประสงค์นะ ไม่ปฏิบัติไปในทางที่ผิดนะปฏิบัติให้มันไม่ผิดกรณีแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่าปฏิบัติสมควรกับธรรมคือว่าปฏิบัติให้มันถูกกรณีถูกวัตถุประสงค์นะแล้วก็เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสปฏิบัติในทางที่ถูกแล้วก็ปฏิบัติ แบบพอดีพอดีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยซึ่งเมื่อตั้งใจจะมาปฏิบัติทำแล้วก็ต้องทํำควาเขา้าใจต้องใช้ปัญญาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเราจะปฏิบัติผิดนะกลายเป็นการปลนเปลือกกิเลส ก, ก็ได้หรือปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ก็ทําให้ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการหลายคนมาเนี่ยนะด้วย มาปฏิบัติด้วยความอยากได้นะอยากมีอยากเอาเวลาปฏิบัติก็ทำด้วยอาการหน้าดำข้ามเครียดอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดละนะปฏิบัติทำก็จริงนะแต่ว่าปฏิบัติผิดนะมันก็นาทุกมาให้ทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นะส่วนทำที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยก็นำทุกมาให้ เมื่อมีความทุกข์เช่นปวดหัวเครีย ด, ท, ดท้อแท้ทุกทรมานนี่ก็อย่ า, ยาไปโทษ ธ, ธรรมะนะธรรมะนี่มันดีแล้วแต่เราปฏิบัติผิดฉะนั้นการปฏิบัติถูกเนี่ยอย่างเนื่องคือว่าทำด้วยใจที่สบายนะปล่อยวางความคาดหวังทั้งหลายนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะถ้าเรามาเจริญสติแล้วทันทีที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ย ความคาดหวังทั้งหลายก็ให้วางลงอย่าไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตใจอยู่กับปัจจุบันสร้างเหตุให้ดีผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะก็ไม่ต้องไปวิตกเหมือนกับเราจะเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางมีอยู่แล้วสิ่งที่เราควรทำคือว่าเลือกเส้นทางให้ถูกหรือว่าเลือกรถ เลือกพหาหนะให้ถูกนะถ้าเราเลือกรถไฟก็ดีรถประจำทางก็ดนะีถ้าเราเลือกถูกแล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางเราจะหลับก็ไดนะ้หรือว่าเราจะชมะทัศนียภาพสองข้างทางก็ได้อย่าไปวิตกกังนวลว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะถ้าขึ้นรถถูกคัน หรือว่าเดินถูกเส้นทางเนี่ยมันถึงแน่นะไม่ช้าก็เร็วจะหลับบ้างก็ได้นะแต่อย่าหลับนานนะเพราะว่าพอมันถึงป้ายแล้วถึงจุดหมายแล้วเราไม่ลงมันก็เลยรถมันก็พาเลยไปนี่เราต้องแน่ใจว่านี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้วก็แน่ใจว่าเส้นทางนี้หรือว่ารถคันนี้เนี่ยนะมันพาเราไปถึงจุดหมายได้ เมื่อเราทำสิ่งที่สมควรทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเองนะจุดหมายปลายทางนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลอาการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเรามีจุดหมายจึงเราจึงพาตัวเรามาที่นี่นะแต่เมื่อเราเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจสบายนะจิตอยู่กับปัจจุบันวางอดีตวางอนาคตลง ทำความเพียรแต่พอดีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยนะก็ให้มีสติรวมถ้ามีการไต่ตรองพิจารณาอยู่เสมอว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมาเป็นการตามใจกิเลสหรือเปล่านะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามาด้วยความโลภนะเรามาด้วยความอยากได้แม้จะไม่ใช่อยากได้เงินได้ทองนะแต่ว่าการอยากได้คุนวิเศษ หรือแม้แต่ความสงบเนี่ยมันก็เป็นความโลภเป็นตัณหาอย่างหนึ่งถ้าทําด้วยจิตที่มีตัณหามีกิเลสแบบนี้เนี่ยนะยิ่งทาก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าทำด้วยความเครียดทำด้วยจิตที่เป็น อ, อ ก, กุศลและยิ่งไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ยิ่งทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะทาไปแล้วสักพักก็จะบ่นว่าเนี่ยทแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยนะ บางคนบอกว่าฉันทํามาเป็นปีแล้วไม่เห็นได้เลยเลยมีคนไปถามหลวงพ่อเฟื่องนะว่าเนี่ยผมมาภาวนามาเป็นมานานแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อท่านตอบว่าภาวนาเนี่ยเพื่อจะละไม่ใช่เพื่อจะเอานะถ้าถามใจเราว่าเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อจะเอาหรือเพื่อละเวลาเราทําบุญเนี่ยให้ทานรักษาสี่งก็ตามเนี่ยเราทําเพื่อจะเอาหรือเพื่อละ ถ้าคิดจะเอาเนี่ยนะมันก็เรียกว่าปฏิบัติผิดแล้วละ่ะวางจิตวางใจผิดอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ประพิธธรรมในทางที่ถูกที่ควรนะต้องสำรวจใจของเราอยู่เสมอนะตรวจสอบนะใครควรว่าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมจริงๆหรือเปล่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะ อะไรคือวัตถุประสงค์การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีในในพุทธศาสนาอ ธ, ธาถกาถาจารย์ท่านก็จำแนกไว้ว่ามีถึง40วิธีแต่และ ว, วิธีก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะเฉพาะอนุสติ10เนี่ยนะ10ใน40เนี่ยนะเฉพาะอนุสติอนุสติ10เนี่ยแต่และข้อก็มีวัตถุประสงค์แตกต่าง เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังงานุสตินี่ก็เพื่อปลูกศรัทธาให้เรามีในพระรตนาฏใจนะแต่ถ้าเราเจริญมรณาสติเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความไม่ประมาทถ้าเราเจริญ อ, อุปสมาสอุออสมาลุสติเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนะจิตใจเราลึกถึงพระนิพพานอยู่เสมอนะก็ทําให้เป็นเครื่องเตือนใจนะเวลาเจออุปสรรคต่างๆเรามีพระนิพพานเป็น เป็นที่หมายแล้วก็ไม่ท้อแท้จะถอยง่ายๆเวลาเราเจริญศีลานุสติจากานุสติเราก็เกิดปิติว่าเราได้ทําความดีเราได้เสียสระบริจาคทานแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปแต่ว่าพอไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะไปทะเลาะกันว่าเธอปฏิบัติผิดวิธีนะปฏิบัติถูกวิธีต้องแบบนี้ จริงๆเขาอา จ, จะปฏิบัติถูกก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับเราเขาอา จ, จะปฏิบัติเพื่อเพื่อต้องการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นเขาจึงเจริญเมตตาภาวนาก็าา จ, จะเจริญมรรณะสตินะโดยการนึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าว่าจะต้องเมื่อต้องตายทําใจได้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าการเจริญมรรณะสตินี่มันเป็นการนึกถึงอนาคตนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันสินะ การอยู่กัจจุบนันีเอาไว้ใช้ในการเจริญนะสติปัฏฐาน4ส่วนมรณะสติเนี่ยนะมันเป็นการมองไปอนาคตว่าสักวันนึงเราต้องตายถามใจตัวเราว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องตายเราพร้อมที่จะตายไหมเราพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างหรือเปล่าในการปฏิบัติแบบนี้ไอต้องจินตนาการว่าร่างกายเรากลายเป็นซากศพหรือว่าร่างกายที่เคยอุ่นมันก็เริ่มเย็นแล้วมันก็เริ่มขึ้นอืด ส่งกลิ่นบางคนบอกว่าอันนี้เป็นจินตนาการนะมันไม่ใช่เป็นการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่ของจริงนะก็จริงแล้วนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อเตือนใจให้เราไม่ประมาทไอการเจริญสตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องจินตนาการนะวางความคิดวางการปรุงแต่งทั้งปวงนะ จะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับท้องพองยุบจะอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันทั้งสินน้นเวลาเจริญสติเนี่ยนะโดยพระสติปัฏฐานเนี่ยเราวางเรื่องจินตนาการเราวางเรื่องอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการที่จะไปจินตนาการหรือการไปอยู่กับอนาคตหรือการนึกภาพอนาคตเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าทําไปเพื่ออะไรนะเช่นเพื่อทําให้เราไม่ประมาทนะในชีวิต เพื่อเราเตือนใจอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เลยเราต้องตายให้การเจริญมรอนัสติเนี่ยมันต้องอาศัยจินตนาการเข้าช่วยเพื่อให้เราตระหนักถึงความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยนะในที่สุดนะมันก็ต้องตายแล้วก็ศพนี่ก็ร่างกายก็อาจจะกลายเป็นศพที่เน่าเหม็นไม่ควรยึติดถือมัน่นฉันจะไปเถียงกันว่าเนี่ยไปเจริญรอนัสติแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบัน อันนี้เพราะไม่เข้าใจไงว่าเจอรมรอนัสเตย์เขาทำเพื่ออะไรนะเขาทาเพื่อให้เราเนี่ยไม่ประมาทงั้นถ้าเราเขาเ้าใจทุกวิสุประสงค์การปฏิบัติแต่ละกรณีแต่ละกรณีแต่ละอย่างเนี่ยไอการทะเลาะบอกแว้งกับมันก็ไม่มีนะการจะไปตําหนิว่าฉันถูกเธอผิดมันก็ไม่ใช่แล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้จักใช้วิธีการต่างๆเพื่อนะพัฒนาจิตใจเราให้มากขึ้นขณะที่เราเจริญสติปัฏฐาน4นะ เราก็รู้จักใช้วิธีอื่นเช่นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติในระหว่างที่ธทำวัดมนเพื่อจะได้ปลูกศรัทธาให้มั่นคงนะในบางครั้งเราก็เจริญมรณาสตนะิอย่างที่เพึ่งสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะพูดถึงว่าเมื่อเราตายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือยังไม่ทันจะตายเลยร่างกายมันก็นะมันก็ปึกมันก็แก่ชาราเหี่ยวย่น ตอนนี้เป็นยังยังไม่เป็นแต่อนาคตจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนการคิดถึงอนาคตแบบนี้ไม่ใช่ เ, เรื่องเสียหายไม่ใช่ว่าอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอันนั้นไม่ใช่ตรงข้ามเนี่ยการที่เราคิดถึงอนาคตแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญของการอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของการมีชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะและใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นธรรมะสำคัญเลยนะที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายที่พู้เจ้าได้สอนเอาไว้เมื่อคนเรามีความไม่ประมาทแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติธรรมในการให้ทานการรักษาศีลในการภาวนาเอาละอ่าคำนี้ก็เพื่อท่านนี้เอากลับคระ